พวกในบรรดาเรายึดติดตามมาก็คือเวทนาเนี่ยนะเช่นว่าเก็บรูปจกักขุวัตถุอารมณ์วิญญาณภาษาเนี่ยนะเพื่อเราวงว่า ง, างเราจะได้ชิมเวทนาจะได้เสวยรสแห่งอารมณ์นั้นๆ น, น, นะนะต้องเพื่อได้เสวยรสแห่งรูปเสียงกลิ่นรสโภชภาพธรรมอารมณ์ทั้งหลายสัญญาก็เกิดขึ้นเพื่อความวิปลาสต่อไป สัญญานะประโยชน์มันเพื่อวิปลาสอย่างเดียวนะทำไมไม่เอามานัิการเช่นพรตอนนี้ก็มาก็ยังไม่พบคำอธิบายเหมือนกันว่าทำไมจึงเป็นอย่างนั้นเดี๋ยวเดี๋ยวเรียนไปก่อนเดี๋ยวขอเรียนไปอีกหน่อยทำไมไม่เอาอยางอื่นเข้ามาอยู่มันเว้นทวิมันเว้นทวิปัญจะเท่านั้นแหละที่มันไม่เกิดคือแต่ตัวที่ที่เรายึดมากๆจริงๆเนี่ยนะก็คือเนี่ยยึด ยึดสัญญาแล้วยึดเจตนาเนี่ยนะเจตนาเนี่ยเรายึดมากขนาดไหนยึดมากหรือน้อยเจตนาอะไรก็ตามนะถ้าสิ่งนั้นคือเราคิดเนี่ยนะเป็นมโนของเรานะเราจะให้ความสำคัญอะไรก็ตามถ้าสิ่งที่ฉันพูดมันจะต้องยิ่งใหญ่กว่าอย่างอื่นอะไรก็ตามถ้าเป็นสิ่งที่ฉันทำนะพิเศษกว่าคนอื่นหมด เพราะฉะนั้นเราจึงให้ความสำคัญกับเจตนาเนี่ยมากคนอื่นพูดมากเท่าไหร่ก็สู้คำของเราคำเดียวไม่ได้คำของเราพิเศษที่สุดอื่นคิดนะก็ก็เราคิดดีกว่าเพราะฉะนั้นเจตนาเนี่ยที่ออกมาทางกายกะมโนกรรมวจีกรรมหรือกายกรรมเนี่ยศาส์เนี่ยยึดติดจริงๆเลยนะไม่ใช่ยึดธรรมดาด้วยนะสังเกตดูประชุมออกเสียงดูเถอะผมว่าผมว่า ผมว่าผมพูดผมทำก็อยู่อยู่เท่านี้แหละก็ถกกันอยู่เท่านี้แหละใครดีกว่ากันเนี่ยเอามาแถบกันละเพราะั้นยึดติดในตัวเจตนาที่เป็นทวารแห่งกายกรรมเจีกรรมมโนกรรมเนี่ยมากส่วนตันหาก็เป็นเครื่องวัดอย่างนังนนะตันหานี่เป็นตัวที่ชอบชอบในรูปในเสียงในกลิ่นในรสนยะสิ่งใดถ้าเราชอบนะนัะ่นคือสิ่งที่เราจะเอามาคิดมาก คิดถึงมากนะคาว่ามาคิดมากแปล ว, ว่าคิดถึงสิ่งนั้นบ่อยๆออสิ่งไหนที่เราชอบเราจะเอามาพูดถึงบ่อยสิ่งไหนที่เราชอบเราจะมีพฤติกรรมทุกอย่างเพื่อเพื่อตอบสนองเพราะสิ่งที่เราคิดเราพูดเราทําก็เพื่อจะนองตัวตันหาทีนี้วิตกก็วิตกตามอะไรวิตกตามที่ชอบวิตจันตามที่ชอบแล้วแต่ตันหามันจะพาไปทัานโลกเนี่ยตันหามันเชื่อมสอนอยู่ ก็บอกว่าตานหานี้ฉาบทาโลกไว้ใช่ไหมพวกนี้คือสิ่งที่เราปรารถนาที่สุดท่นี้ถ้าเราถามว่ามนัสิการเราน่าพอใจไม่สำหรับเราถ้าเห็นๆ น, นะอย่างที่ยอมยอมมันีถามเนี่ยตาดมานัสิกานนะยกตัวอย่างนะมนัสิการอาธิโมฉันทะวิริยะเอานะลองเอามาดูว่าเราชอบไหม วิริยะนี่ชอบไหมอ๋อจริงๆเราชอบวิริยะไหมไม่ค่อยชอบฝืนมากเลยวิริยะเนี่ยนะเพราะฉะนั้นก็เลยไม่ใช่ปิยรูปสาตรูปมากนะักตัวดิ่งในเรื่องอะไรสักอย่างหนึ่งเราดิ่งไหมอธิมโมกนะก็ไม่ค่อยดิ่งอ่าชันท่าล่ะก็ยากก็ไม่เท่าไหร่มนาสิการก็ไม่เท่าไหร่ ยิ่งกุศลแล้วด้วยโหยิ่งห่างมากไม่ต้องไปไล่เลยนะโอ้ฉันชอบสติมากมากมีไหมไม่เคยมีปัญญาด้วยยิ่งไม่ค่อยชอบเลยทิริโอตปะยิ่งโหยศตูไปโอ้ยอะไรอันนั้นก่อนละอายบาปะนี่ก็กลัวบาปขัดขวางความสุขมากเอาไ้ก่อนทั้งกุศลทั้งหลานเนี่ยจึงไม่ใช่ปิยรูปสาตารูปง่ายๆหรอกแล้จึงยกมาอะไรที่สัตว์ปรารถนามากๆเนี่ยนะที่เห็นๆกันเลยเนี่ย วัตถุพวกนี้เป็นที่ตั้งแห่งความปรารถนาะแม้แต่ฌานเนี่ยนะวารานเนี่ยเราก็ชอบเพราะเป็นไปกับแม้กระทั่งชอบเพราะคำว่าฌานเนี่ยอมความถึงฌานหมดนะ ว, ว่าเป็นปิยรูปสาตรูปเหมือนกันหรือตัววิญญาณ น, นี่อมความไปถึงฌานก็หลายๆเรื่องก็อมความไปถึงนะแต่อันนี้พูดถึงสิ่งที่มันชัดๆที่ศัตว์ทั้งหลายปรารถนาะคือหน้าปรารถนาะหน้าไข่หน้าพอใจของ สาสต์ทั้งหลายก็ดูสิ่งที่เราชอบนะั้นไม่ค่อยมีพ้นพวกนี้หรอกชอบชอบอยู่แถวแถวนี้แหละทิ่งที่เราพอใจมากหนะสุดให้ความสำคัญกับในหกสิบนี้อะไรให้ความสำคัญกับอะไรมากแต่ว่ารวมๆแล้วชอบหมดเลยแต่ถ้ายอ่อทั้งหกสิบมาก็คือขันห้าขันห้าขยายขันห้าออกมาก็เป็นธรรมะหกสิบเหล่านี้นะเราเลือกมาในส่วนที่น่าปรารถนา ทีนี้เมื่อสิ่งนี้น่าปรารถนานะที่มาของริสยาเป็นต้นเนี่ยซึ่งจะเกิดครัง้งคราวใครชอบตัวริสยาบ้างไม่ชอบโมหะนะปิยรูปสาตรูปไหมไม่ชอบโทสะก็ไม่ใช่ปิยรูปสาตรูปเพราะว่าไม่ค่อยสนใจเท่าไหร่นะวันไหนโทสะเกิดวันนั้นทุกข์มากนะไม่ใช่ปิยรูปสาตรูปก็ปิยรูปสาอดก็คือขันท่าถ้ากล่าวปิยรูปสาตรูปนะเชื่อว่ากล่าววัตตะในภูมิสามหรือ่อง กล่าวเรียบร้อยแล้วนะเพราะเจตนาเนี่ยมันอมความถึงเจตนายี่สิบเก้าเจในธรรมะในภูมิปียรูปสาตรูปเนี่ยนะถ้าเป็นการแสดงแบบเนี่ยเป็นการแสดงแบบทั้งทวารและอารมณ์คื อ, อวิปากวัฏก่อนนะเป็นการแสดงแบบกรรมวัฏวิปากวัฏกิเลสวัฏเลยในในในพร้อมกันเลยนะเช่นว่าทวารกับอารมณ์ อารมณ์ที่เราให้ความสำคัญมากนะอารมณ์ที่เป็นผลของกรรมเชื่อไหมสีเนี่ยนะเราจะชอบสีที่เป็นผลของกรรมมากเสียงก็ชอบเสียงเสียงที่เป็นผลโดยโอ้อมของผลของกรรมอีกทีหนึ่งกลิ่นก็ชอบกลิ่นที่เป็นผลของกรรมนี่ส่วนใหญ่รสเป็นต้นก็ก็ส่วนเกี่ยวข้องกับผลของกรรมถ้าส่วนใหญ่เนี่ยแม้แต่โาพธิภพเนะก็สํา น, นวนว่า ที่ที่ในภาพยนตร์หนึ่งเขาบอกว่าสัมผัสกายหญิงกับเครื่องลาดไม่ต่างกันเขาบอกว่าจับเบาะกับจับน่องดอูต่างกันตรงไห น, นแต่ทําไมไม่ชอบจับอย่างเงี้ยก็ก็โพธพาเหมือนกันท่านโพธพาที่น่าปราถนาสําหรับสัตว์โดยมากก็เป็นผลของกรรมทัานกรรมกับทวารกับอารมณ์นี่ก็คือลักษณะวิปากวัพราะแล้วก็ชอบสเสวยวิปากวัตรประเภทวิญญาณ ปัญจวิญญาณนี่เป็นวิปากวัฏใช่ไหมวิญญาณผัสสะเวทนาพวกนี้เป็นวิปากวัฏหมดในโลกนี้นะสัตว์แสวงหาอะไรมากที่สุดสาระที่สัตว์แสวงหาจริงๆนะสแสวงหาชาติวิบากไม่ค่อยแสวงหาชาติกุศลสัตวเท่าไหรนะ่แ ต, ต่แสวงหาชาติวิบากให้ความสําคัญกับธรรมะประเภทชาติวิบากเต็มที่หมดเลยโดยเฉพาะทวีปัญจานี่ให้ความสําคัญมากจริงๆ อันนี้เป็นอะไรวะตะวิปากวัฏใช่ไหม ส, สัญญาก็เป็นเน้นมาที่วิปากวัฏก่อนพอเวทนาเนี่ยเป็นปัจจัยแกปัญหาปัญหาพวกนี้เป็นกิเลสวรรัฏแล้ว ต, ตัวใดที่เราชอบนะจะทำกรรมเพราะอันนั้นเจตนา กรรมก็คือเจตนาในชะ่ตัวใดที่ทากรรมมากแสดงว่าวิตกมากวิจารมากวิตกวิจารเนี่ยเป็นตัวเสริมเจตนาด้วยนะเจตนานั้นจะมีผลมากหรือไม่มีผลมากก็อยู่ที่ที่วิตกวิจารเช่นว่าคาว่าคำว่ากรรมอะไรพหุละกรรมกรรมแบบไหนเรียกพหุลกรรมกรรมที่เอามาคิดถึงบ่อย มันแบ่งออกเป็นสองอย่างนะทำบ่อยๆจริงๆอย่างหนึ่งกับทำครั้งเดียวอ่ะแต่เอามาคิดถึงบ่อยมากกรรมนั้นเลยเป็นพหูลกรรมบางคนนี่ทำแค่ครั้งเดียวก็พอใช่ไหมแต่คิดจนตายพวกนี้หแหละพหูลกรรมนี่นนะั่น่ะพวกนี้ก็เป็นกรรมก็วิบากกรรมกิเลสอันนี้วัวตะ แล้วตัววิตกวิจารณ์พวกเจตนาเนี่ยนะมันอบถึงเจตนายี่บเก้าไว้แล้วกรรมวัดวิตากวัดที่ได้ได้ใช่ไหมใจที่สำคัญแห่งกิเลสวัฏแล้วก็มาทำกรรมหม่อีกพ่า น, นปิยรูปสาตรูปเนี่ยถ้าผู้ใดรู้จริงก็เท่ากับรู้วัฏในภูมิสามปฏิจจสมุปบาทมองเห็นไหมปฏิจจเห็นทั้งทุกขศากับ พยาศาตร์ว่าชีวิตในวัฏฏะเป็นตายอย่างนี้แล้วก็เอาสิ่งเหล่านี้มาเป็นที่ตั้งแห่งความเพลิดเพลิน ด, ด้วยมีความสุขกับสิ่งเหล่านี้มากเนี่ยนะก็เพลิดเพลินมากที่มีตาใช่ไหมก็เพลิดเพลินอยู่อย่างนี้แหละไม่น่าวัดยาวธรรมะพวกนี้พระองค์ตรัสเรียกว่าทางไกลามากเลยไม่มีจบมีสิ้นหรอกออกมาด้วยกันนี่แหละถ้าว่าแบบวัฏฏะนั้นไม่มีใครแก่กว่ากันไหม แบบพูดแบบว่าตาระยะยาวนะวอย่าพูดระยะสั้ น, นอยู่มานานพอๆกันนั่นแหละนะพูการไม่นานก็เรจะเป็นหนุ่มนะ้วแล้วพบใหม่ล้วเป็นหนุ่มก็ดีอย่าเป็นสาวก็แล้วกันก <c oughs> <c oughs> ลัวมีท้องอะนะ <c oughs> <c oughs> คือจริงๆแล้วนะถ้าฟังสูตรก็บอกว่าเธอจงยังราค่าให้เหือดแห้ง เหมือนกับเหมือนกับอะไรเหมือนกับผักดองที่มันต้มแล้วน้ํามันแห้งงวดฉะนั้นแหละคือเขาเงื่อนไขว่าคุณทํายังไงที่ฉันทราคะมันจะแห้งจากสิ่งเหล่านี้เลยเขาบอกว่าสิ่งเหล่านี้นะมันเป็นยางมันเต็มไปหมดเลยนะถ้ามองถ้าพูดถึงปัญหานะมันชอบสีนะสมมติถ้าเรามองทวารตาแล้วกุศลก็ไม่เกิดด้วยแล้วไม่ระคายเคืองตาเลยนะ ถ้าตันหาของหนึ่งสีนะมันเหมือนกับลําสายเปรบประมึกมากนะทวารตาของเราคุสายมันออกมาเต็มไปหมดเลยนะสมมุติถ้ายางมันออกมาแบบอะไรนะใยแมงมุมก็ได้นะสมมุติมันชอบทุกสีเลยนะคุณสายมันติดไปหมดเลยนะคงสายมันมัดมัดมัดมมัดว่ายางเหนียวมันเป็นแบบนั้นแ่ะมันแผ่ขถ้าพ่อองค์การว่าตันหาเนี่ยแผ่ข่ายออกมาก็คือทวารตาปั๊บนะลืมตานะถ้ามันมองเป็นรูปธรรมเท่ากับใยแมงมุมอย่างเดียวนะโอ้โหเต็มหมดเลยนะเนี่ย ดนตรงไหนระคายเครืองตาบ้างอ่ะกุศลก็ไม่เกิดด้วยปัญหาทั้งนั้นอะทุกสีเลยเนะ่เหมือนกับใยแมงมุมไปมัดมัดมัดมดแต่มันเหนียวกว่ายีแมงมุมเยอะเอออันนั้นก็ดีอันนี้ก็ใช้ได้อันนั่นก็เราอันนั้นก็ของเราอู้อันนี้ก็ทรัพย์สินของเรามันเพลินไปหมดเลยอู้ประเทศของเราทําไมสวยงามเหลือเกินเนี่ยแต่อย่างไงก็โอ้ดูทีมันไปผูกไว้หมดเลยแล้วจะตัดได้ยังไงนะเกิด อ, อย่างที่ว่านะ ตันหาเนี่ยมันแผ่ขายออกมาเหมือนใหญแมง ม, มุมอ่ะทวารตาเนี่ยมันกี่ใยอะ่ะแล้วทวารหูมันกี่ใยนะถ้ามองเป็นรูปธรรนะมนั้นมันมัดเอาไว้กับทุกเรื่องทุกเรื่องทุกเรื่องทุกเรื่องมันไม่ใช่หลุดง่ายๆหรอกเจ้าเหอะต้องไปเจริญแค่ไหนเนี่ยตันหาลองดูว่าพอไหมที่จะเบื่อหน่ายเอาเหอะถ้าถ้าผู้ใครที่จะเจริญนิพพสนาเยอะขนาดไหนก็ตามนะถามว่าผิดเบื่อหน่ายในขันห้าหรือยังเบื่อหน่ายเหลือเกินตาเนี่ยนะที่จะต้องเห็นของสว ย, สวย เบื่อนายมากเลยนี่ทําไมอาหารมันอร่อยเยอะเกินมันน่าเบื่อมากมเลยเนี่ยจะต้องบริโภคอีกแล้วเบืนน่อนายเยอะเกินเนี่ยออกงานอีกแล้วอย่างเงี้ยนเะเฉพาะสิ่งที่น่าปรารถนาเกินเนี่ยนะ น, นึกถึงลูกก็เออนั่นอุปาทานขันห้าชาติทิพุกเป็นต้นถ้าอย่างนั้นก็แสวแล้วนึกถึงมหาพูดภายในก็อสารพิษนึกถึงภพสามก็เรือนจําอย่างเงี้ยนะนึกถึงขันห้าก็เพชรขคาด์ถ้าอย่างนี้ก็เปอร์เซ็นต์สูง แล้วก็ใครที่มีบุญมากๆก็อนุโมทนาด้วยนะแต่ว่าจริงๆแล้วถ้าไม่ตัดชันทราคามันรู้ไม่ได้หรอกโสดาปฏิมาคือธรรมชาติที่เกิดขึ้นเพื่อตัดฉันทราคาพิจารณายังไงจึงจะเบื่อหน่าย อ, อ่ะอย่าลืมนะเห็นเทพยังไงจึงจะเบื่อหน่าย อ, อ่ะเบื่อหน่ายแล้วเกินเนี่ยต้องเห็นเทพอีกแล้วเนี่ยโอ้ต้องประดับอีกแล้วเนี่ยเออถ้าอย่างนั้นก็เข้าเขาเหมือนกันนะ แสดงว่าเป็นเอามากแล้วล่ะเกือบแล้วแต่ถ้าอันนั่นกัของเรานเมื่อไหร่นะเขาจะซื้อของฝากมาฝากเราบ้างก็ออีกน้องก็จะไปจะเปนี่อะไรมากนะทําปริญญาต่อไปเถอะะเทพเป็นของร้อนก็ว่าไปร้อนพระไฟคือาคาร้อนเพระไฟคือโทสะร้อนพระไฟคือโมหะพราะใครไปเกี่ยวข้องกับสิ่งนี้กุศลจิตไม่ค่อยเกิดร้นงนะน้มีโยมคนหนึ่งก็เล่าว่านี่พระอาจารย์โยมนะ เอาเพชรนู่นตอนที่ JD เจดีย์เาล่วงมานะโยมเนี่ยเอาเพชรไปไว้บนโน้นบอกให้พระอาจารย์อนุโมทนาด้วยเขาบากงั้นเขาไา้เพชรของเขาเนี่ยไปไวางไว้ยอดองเจดี JD. ที่หไหนไหดอยสุเทพเหมือนั้นเขาบอกว่าก็ไม่ได้บอกจะอวดล็อกพระอาจารย์จะได้นุโมทนาเขบาบอกงั้น<อ>ก็สาธุเหมือนั้นเลยเลยเอองจริงดิไม่บอกชื่อหรอกเดี๋ยวก็ เดี๋ยวว่าหลังเขามีอะไรเ็าจะไม่บอกเราเอเขาไปเอาเรื่องของเขาไปเปิดเผยไปหมดเอาแต่กิริยาก็พอแต่ก็เขาเอาเพชรกับแม่เขาเนี่ยไปบนยอดยอดเจดีย์โดยสุเทพจริงๆวันนั้นไปไหว้พระกันก็เลยขึ้นไปก็เลยเล่าให้ฟัง <c oughs> นี่ก็พักสักครู่นึ่ง น, นะ